เราได้ทำกิจทำการงานมาเยอะแล้วตอนนี้เป็นเวลาที่จะได้มาทำจิตบ้างจริงๆพุทธศาสนาเนี่ยท่านก็สอนทั้งเรื่องการทำกิจแล้วก็ทำจิตนะถ้าเรา ทำให้ดีทำให้เจริญทำให้ถูกต้องก็ทำให้ชีวิตมีความเจริญก้าวหน้าแล้วก็มีความสุขคำ ว, ว่าเจริญเนี่ยมันมีคำหนึ่งคือคำว่าภาวนาภาวนาแปลว่าทาให้เจริญงอกงามแล้วคนเราสามารถจะเจริญงอกงามได้ก็ด้วยทั้งการทำ แล้วก็การทำจิตในพุทธศาสนานี่จะมีหลักทมคำสอนเรื่องภาวนามีสข้อมี4อย่างก็คือกายภาวนากายภาวนานี้หมายถึงว่าการทำให้ร่างกายมีสุขภาพดี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 ส่วนสองข้อแรกกายภาวนาและศีลภาวนาเป็นเรื่องการทํากิจนะการทํากิจการงานพุทธศาสนานี้ท่านสอนให้ทําทั้งสองอย่างแต่ว่าส่วนใหญ่ก็อาจจะทําแต่สองข้อแรกหรือว่าอาจจะทําแต่เรื่องกิจการงานแต่ว่าเรื่องทําจิต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 คนที่ถามนี่ก็น่าสนใจนะเพราะว่าคือเขาเป็นเป็นมานบนะที่มากันเป็นทีมเลยนะสิบหกคนครูอาจารย์สั่งให้มานะเป็นพรามชื่อภาวารีอยากจะโค่นนะพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้านี่มีสานุสิธิ์เยอะอิทธิพลก็กำลังจะแพร่ไปทำให้หลายคน ก็เปลี่ยนมานับถือพุทธศาสนามานับถือพระพุทธเจ้าพรามภาวรีนี่ซึ่งนับถืออีกลัทธินิกายหนึ่งก็ไม่พอใจก็ส่งลูกน้องส่งลูกศิษย์มามาคล้ายๆมาโตวาทีเริ่มโดยการซักถามหัวหน้าทีม ก, ก็คืออชิตตะอชิตตะมานบแต่ตอนหลังทั้งส6คนก็ไม่สามารถที่จะ ครมพระเจ้าลงได้แล้วก็ที่ซักไซ้ก็ปรากฏว่าได้คำตอบที่ทำให้เขาเกิดศรัทธาในพระเจ้ามากขึ้นก็เลยมามาบวชนะกับพระพุทธองค์ทิ้งพามภาวีไปเลยแล้วก็หลายท่านก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เป็นพรยศเจ้าอริตตามานบ ถามพูุทธเจ้าว่าอะไรเป็นเครื่องกั้นกิเลสซึ่งเป็นเหมือนกระแสน้ำไม่ให้ไหลท่วมท้นจิตใจพรุทธเจ้กาก็ตอบว่าสติเป็นเครื่องห้ามกระแสกยิเล ส, ส่วนปัญญาเป็นเครื่องละกิเลสละกระแสกยนิยมหรือว่าตัดกระแสกิเลย ปัญญาอาสติเป็นเครื่องห้ามความหมายเพราะกระแสกิเลสมันมีแล้วก็ห้ามนะทําให้มันสลายตัวลงไม่ว่าจะเป็นอกุศลกรรมเฉนความอากุศลธรรมเฉนความโกรธความเกลียดความเศร้านะพอเจอกิเลสเพอเจอสติเข้าไปมันก็หายไปไม่ต่อเนื่องเป็นกระแส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 ความโกรธนี่มันเป็นกระแสเกันนะกระแสความโกรธเป็นกระแสกิเลสพอมีสติรู้ทันปุ๊บมันก็ดับไปอีกคันก็มีคนถามหลวงปู่ด้วยว่าหลวงปู่หลวงปู่มีความโกรธไหมคือเขาก็ได้ยินกิเลส่าว่าหลวงปู่นั่นเป็นพระอรหันต์ก็าถามว่าหลวงปู่มีโกรธไหมท่านก็ตอบว่ า, ม, ม, ามีแต่ไม่เอานะมีแต่ไม่เอา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 คำตอบลกปู ด, ดุลท่านพูดในแง่ที่ว่าเมื่อมีความโกรธขึ้นเพียงแค่แบบเดียวเป็นเหมือนกับประกายแล้วก็ดับไปก็คือว่ามันไม่ต่อเป็นกระแสมันไม่เกิดเป็นกระแสมันแค่เป็นประกายเหมือนกับสปาร์คไฟแล้วก็ดับไปที่ดับไปเพราะมีปัญญาอะไรเห็นว่า ความโกรธมันไม่น่าเอามีปัญญาเห็นโทษของความโกรธและมีปัญญาเห็นว่าความโกรธมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไ, ไม่น่าเอาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทําให้ไม่เกิดการปรุงแต่งต่อไปเป็นกระแสอันนี้ก็อธิบายก็อย่างที่ได้อธิบายที่อุตสาหตัดไว้คือปัญญาเป็นเครื่อง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 เพราะว่าคนเราเนี่ยทุกข์เพราะว่าไปยึดสิ่งต่างๆว่าเที่ยงไปยึดสิ่งต่างๆว่ามันต้องเป็นสุขนะไปยึดสิ่งต่างๆว่ามันเป็นเราเป็นของเราพอสิ่งต่างๆมันแปรผันไปคือไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์รนถะยนต์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 รถของเพื่อนเราโทรศัพท์ของเพื่อนเราหรือว่าเงินทองของคนข้างบ้านหรือว่าคนอื่นน่ะหายไปเราก็เฉยๆใช่ไหมเพราะอะเพราะว่าเราไม่รู้สึกว่ามันเป็นของเราในที่เราทุกข์ก็เพราะความยึดว่ามันเป็นของเราทั้งๆ ท, ที่มันอาจจะไม่ใช่ของเราเลยแต่ว่าเราไปยึดมั่นเช่น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 แต่เราไปตูว่าเป็นของเรานั้นใครบั น, นั่งแทนเราก็โกรธนะอันนี้เห็นไหมว่าเราทุกข์เพราะความยึดม า, าเป็นของเรานะปัญญานี่มันทําให้เราเห็นความจริงว่ามันไม่มีอะไรคิดเป็นของเราเลยทําให้เราเห็นว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันแปรผันเพราะฉะนั้นเวลาเห็น สิ่งของมันพัดผ้าศูนย์หายไปหรือว่าคนรักตายจากไปก็ไม่ทุกขนะ์ในสายพุทธการมีคราวหนึ่งนะนางมริกานิมนต์พระอัครส า, าวกพระโมคคัลลานาสาลีบุตรมามาฉันพร้อมกับ พระอีกเป็นร้อยในขณะที่มีการถวายอาหารก็มีจดหมายมีข่าวด่วนมาเป็นจดหมายน้อยนะถึงนางมาริกาแจ้งข่าวว่าพันธุราเสนาบดีซึ่งเป็นสามีแล้วก็ลูกเคย16คนถูกฆ่าคือส่งทาหน้าที่ไปปราบโจลในชายแดนแล้วก็ถูกฆ่ารอบฆ่าตายหมดเลย เ็จได้ข่าวอ่านจดหมายเสร็จก็เก็บไวนะ้เก็บไว้ที่ชายพกแล้วก็ทำการถวายอาหารบังเอิญขนาดนั้นเองเนี่ยคนใช้เกิดทำจานตกนะเป็นจานใส่เนยนะตกแตกนะพระไบุตรเห็นก็เลยพูดปลอบใจนางเมริกาว่าอุบาสิกา ของตกแตกพวกนี้มันธรรมดามันแตกได้อย่าเสียใจไปเลยนางมริกาบอกว่า<ม>เดี๋ยวว่าแต่ของตกแตกเลยนะเมื่อเช้านี้ข้พาพเจ้าได้ข่าวว่าสามีแล้วก็ลู ก, ลกเขยตายสิบหกคนข้าพเจ้ายังไม่เสียใจเลยนันนับภาษาอะไรกับ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 ไอ้ที่ป่วยนั่นเนี่ยมันเป็นกายที่ป่วยนะแต่ใจไม่ได้ป่วยด้วยคือสามารถที่จะมองเห็นแยกออกมาเป็นขันได้นะว่ากายกับใจรูปกับนานี่มันคนละส่วนกันคนธรรมดาเวลาเจ็บป่วยเนี่ยก็จะไปสําคัญมาหมายว่าฉันป่วยฉันป่วยฉันเจ็บฉันเจ็บมีตัวฉันอยู่ตลอดเวลาอย่างที่พวกเราบางคนก็จะรู้สึกว่าเนี่ยฉันเมื่อยนะฉันเมื่อย นะอันนี้เพราะว่ายังไม่มีปัญญาเห็นว่าที่จริงแล้วเนี่ยไอ้ที่เมืออ่อยที่ปวดเนี่ยมันไม่ใช่ฉันแต่มันเป็นกายที่ปวดที่เมือ่อยส่วนใจนี่ไม่จําเป็นต้องปวดเมื่อยตามก็ได้เมื่อสักหลายสิบปีก่อนนี่ก็มีคนนิมนต์ ห, วหลวงปู่บุตรดานะมาฉันอาหาร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 อันนี้เพราะว่าถ้ามีปัญญาเห็นไงว่าไอสิ่งที่เรียกว่าตัวเราที่จริงมันไม่มีตัวเรามันมีแต่กายกับใจรูปกับนามเวลาเจ็บเวลาปวดมันก็เป็นแค่กายปวดแต่ว่าใจไม่ได้ปวดด้วยมีคราหนึ่งท่านก็ไปผ่าไส้ติ่งนะผ่าเสร็จก็ฟื้นตัวได้เร็วมาก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 ใจมันก็เกิดโทสะและเกิดความทุกข์ตามขึ้นมาด้วยแต่ถ้าเรามีสติรู้ทันไอ้โทสะที่เกิดขึ้นในใจนะมันก็วางนะวางได้ไอ้โทสะนั่นก็ดับไปกายก็กลับมาเป็นปกใจก็กลับมาเป็นปกติได้กายยังปวดยังเมื่อยอยู่นะแต่ว่าใจนี่เป็นปกตินะ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 <Yeah. S 2> แต่ก่อนที่จะมีสติรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจหรือว่าอาการกระเพิ่มของใจไม่ว่าฟูหรือแทบบวกหรือลบ <Yeah. S 2> เราก็ต้องให้มีสติรู้กายก่อน <Yeah. S 2> มีสติรู้กายคือเวลากายเคลื่อนไหวใจก็รู้สึกนะ yeah.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 ขึ้นมาแก่ใจให้รับรู้ขึ้นมาได้เองเพียงแค่ใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวหรืออยู่กับปัจจุบันแต่ถ้าใจเราเผลอเข้าไปในความคิดหรือว่าไล่ล่าความคิดหายเข้าไปในอดีตหรือว่าไปจมอยู่กับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงนะตอนนั้นก็ไม่รู้ตัวละไม่รู้สึกละยกมือก็ไม่รู้สึก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 นะก็ก็ให้ก็อย่าเพิ่งไปคิดไกลถึงว่าให้มีสติรู้ทันความคิดเพราะว่ า, าเดี๋ยวจะเผลอหลุดเข้าไปในความคิดอยากจะไปตามดูความคิดสักหน่อยเพราะว่าถูกความคิดลากจูงลากลู่ถู ก, กังไปเพราะความคิดมันฉลาดมากมาสามารถจะหลอกเราให้หลงได้นะเพตอนนั้นใหม่ๆก็ยังไม่ต้องสนใจความคิดกลับมารู้สึกตัวนะ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 จิตของเราฝึกได้นะฝึกให้มันอยู่กับที่อยู่กับอยู่กับที่หรือเป็นที่เป็นทางได้และตัวที่จะฝึกให้จิตเป็นที่เป็นทางก็คือสตินั่นแหละสติธรรมที่ดึงจิตกลับมาอยู่กับกายกลับมาอยู่บ่อยๆอยู่บ่อยๆจนกระทัง่งมันรู้ตัวคือมันเชื่องแล้วมันก็จะอยู่กับเนื้อกับตัวมันก็จะไม่ใจลอยละหกละเหินหรือว่ากระเซาอกระเซิงอย่างที่ เคยเป็นหรือกำลังเป็นอยู่ในขณะ น, นี้เอาละก็คำนี้ก็พูดธรรนียนะ